ธรรมบทแปลเรื่องที่155้าหเรื่องสมพหุละพิกุข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารบการสนทนาของภิกษุมากรูปด้วยกันตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าสุโคพุทธานามุปปาโดเป็นต้นตอน ความเห็นในปัญหาต่างๆกันความพิสดารว่าวันหนึ่งภิกษุห0 0ร้อยรูปนั่งในศาลาเป็นที่บำรุงสนทนากันว่าผู้มีอายุทั้งหลายอะไรหนอแลเป็นสุขในโลกนี้บรรดาภิกษุเหล่านั้นบางพวกกล่าวว่าชื่อว่าสุขเช่นกับด้วยสุขในราชสมบัติย่อมไม่มี บางพวกกล่าวว่าชื่อว่าสุขเช่นกับด้วยสุขในกามย่อไม่มีบางผู้กล่าวว่าชื่อว่าสุขเช่นกับด้วยสุขอันเกิดแต่การบริโภคข้าวสาลีและเนื้อย่อมไม่มีตอนพระศัสดาทรงแก้ปัญหานั้นพระศัสดาเสด็จมาสู่ที่ที่ภิกษุเหล่านั้นนั่งแล้ว ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายปัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยถ้อยคำอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยถ้อยคำชื่อนี้จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอกล่าวอะไรก็ความสุขนี้แม้ทั้งหมดนับเนื่องด้วยทุกในวั ต, ตั์ทั้งนั้นแต่เหตุนี้เท่านั้น คือความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าการฟังธรรมความพร้อมเพรียงของหมู่ความเป็นผู้ปรองดองกันเป็นสุขในโลกนี้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าสุโคบุตธานมุ ป, ปาโดสุขาสัทธรรมเดสนาสุขาสรังคัสสะสมะ ก, กี สมั ก, กนังตโปสุโคความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเหตุนำสุขมาการแสดงธรรมของสัตว์บุรุษเป็นเหตุนำสุขมาความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นเหตุนำสุขมาความเพียรของชนผู้พร้อมเพรียงกันเป็นเหตุนำสุขมาตอนแก้อัด บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าบุตธานมุปปาโดความว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อทรงอุบัติขึ้นยอมยังมหาชนให้ข้ามจากความกันดานทั้งหลายมีความกันดานคือราคะเป็นต้นเหตุใดเหตุนั้นความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงชื่อว่าเป็นเหตุนำสุขมาสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุกข์มีชาติเป็นต้น เป็นธรรมอาศัยการแสดงธรรมของสัตว์บุรุษย่อมพ้นจากทุกทั้งหลายมีชาติเป็นต้นเหตุใดเหตุนั้นการแสดงธรรมของสัตว์บุรุษจึงชื่อว่าเป็นเหตุนำสุขมาความเป็นผู้มีจิตเสมอกันชื่อว่าสามคัคคีแม้สามัคคีนั้นก็ชื่อว่าเป็นเหตุนำสุขมาโดยแท้อนหนึ่ง การเรียนพระพุทธพจน์ก็ดีการรักษาทุดงทั้งหลายก็ดีการทำสมณธรรมก็ดีของเหล่าชนผู้พร้อมเรียงกันคือผู้มีจิตเป็นอย่างเดียวกันเป็นเหตุนาสุขมาเหตุใดเหตุนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าสมัรการนังตโปสุโคปพระเหตุนั้นนั่นแหละพระผู้มีพระภาค จึงตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายก็พวกภิกษุจากพร้อมเพรียงกันประชมุมจากพร้อมเพรียงกันเลิกประชมุมจากพร้อมเพรียงกันทากิจที่ควรทำของหมู่ตลอดการเพียงใดภิกษุทั้งหลายความเจริญฝ่ายเดียวอันภิกษุทั้งหลายพึงหวังได้ความเสื่อมอันภิกษุทั้งหลายไม่พึงหวังได้ตลอดการเพียงนั้น ในการจบเทศนาภิกษุเป็นอันมากตั้งอยู่ในอรหัตผลแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนแล้วดังนี้แลเรื่องสัมภหุลภพิคุจบ